ยาซีเรียสเรื่องชั้นที่สองรั้งหนึ่งนักสรูดินยืมเงินร้อยช่างมาจากนายทุนเงินกู้ เอสร้างบ้านสองชั้นหลังหนึ่งหวังให้ครอบครัวได้อยู่อาศัยหลังจากบ้านสร้างเสร็จนายทุนชื่นชอบบ้านหลังนั้นมากขอให้นัทสรูดินจ่ายบ้านชั้นที่สองเป็นการชำระหนี้สินที่กู้ยืมมิฉะนั้นจะต้องคืนเงินที่เพิ่งยืมไปทันทีนัทสรูดินต้องยินยอมยกบ้านชั้นที่2ให้กับนายทุนนายทุนกับครอบครัว ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ก่อนนัทรูดินเสียอีกสองสัมวันต่อมานัทรูดินจ้างคนคนหนึ่งมารื้ข้างฝาบ้านชั้นล่างลงนายทุนได้ยินเสียงโครมครามชั้นล่างเขาตกใจเมื่อมองลงมาทางหน้าต่างพร้อมตะโกนว่าเจ้ากำลังทำอะไรนะ่ะบ้าหรือเปล่าไม่ต้องตกใจท่านก็อยู่ที่นั่นอย่างนั้นแหละ เรากําลังทำบ้านของเรานัทสรูดินตอบพร้อมทำงานต่อไปนายทุนรีบกระโดดลงจากบันไดามาเร็วจีตะโกนว่าไม่เกี่ยวอะไรกับข้าข้าอยู่ชั้นสองถ้าบ้านพังทลายลงข้าจะเป็นยังไงนัทสรูดินย้อนถามว่าเรื่องมันจะเกิดกับท่านได้อย่างไรเรากําลังรื้อชั้นหนึ่งไม่ใช่ชั้นสอง ขอให้ท่านใส่ใจดูแลชั้นสองของท่านให้ดีๆก็แล้วกันไม่ต้องส่งตามามองดูแลชั้นล่างขณะที่พวกเราทำงานก็แล้วกันกล่าวจบนัสรูดินก็ทำงานของตนต่อไปเมื่อเห็นว่าหมดหนทางนายทุนต้องขอร้องให้นัสรูดินฟังตนพูดบ้างโอ้เพื่อนรักของข้าในานามมิตรภาพ ข้าขอร้องเจ้า้ายชั้นล่างให้ข้าเถอะนัทสรูดินถามอย่างเย็นชาว่าท่านต้องการซื้อเหรอต้องให้ข้า200ชั่งนายทุนอุทธธานว่าอะไรนะแต่ก็พูดไม่ออกส่วนนัสรูดินและลูกจ้างคงรื้อบ้านต่อไปเอาละเอาละนายทุนเงินกู้กล่าวแล้วรีบขึ้นชั้นสอง หยิบเงินมามอบให้นัทรูดินนี่แหละนะคนที่คิดเอาเปรียบคนอื่นและเคยได้เปรียบเสมอมาอย่าคิดว่าจะได้เปรียบตลอดไปมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยง